ในช่วงเช้าวันนี้ถือว่าเป็นช่วงที่พร้อมลนะในการที่จะปฏิบัตินะก็อยากจะ เ, เรื่อ ง, องต้นตึงแต่อะ่าพูดถึงเรื่องรูปนางเรื่องสำคัญเมื่อวานเราก็เตรียมดัวกันทั้งวันละแล้วก็รวบรวมปัญหาข้อบกพร่องต่างๆที่จะแก้ไขแล้ววันนี้เนื่องจากหนึ่งเรามีเวลาน้อยสองเรามีที่มีแดดขรลารบพอสมควร สเรา ม, มีแม่ครัวที่ตั้งใจ4ครูบา อ, อาจารย์เป็นเพื่อนที่ตั้งใจเราทําเท่าไหร่ครูบอาจารย์ทำเท่านั้นไม่ได้มานั่งพูดหรือข้างให้พวกเราทําโดยที่ไม่สนใจม่ใช่นั่งบางคีพระทำมากไปโยงอีกอันนี้วิธีการวู้วเทียนพระได้เท่าไหร่โยมได้เท่านั้นพระรู้เท่าไหร่โยมรู้เท่านั้นคือเคียงข้างเงินไปเดินเคียงคู่กันไป แต่ส่วนใหญ่ที่ในวิธีการอื่นก็คือฉันมีหน้าที่สอนพวกเธอพวกเธอทําตามฉันสอนแล้วก็หมดหน้าที่ของฉันยังจะไปที่ไหนก็เป็นเรื่องของฉันละแต่ในวิธีการของกุศลเห็นไม่ใช่เราเดินทางไปได้วยกันเธอทําได้เท่าไหร่ฉันทําได้เท่านั้นลูกศิษย์ทำได้เท่าไหร่อาจารย์ทําได้เท่านั้นอาจารย์ดำเท่าไหร่ลูกศิษย์ทำได้เท่านั้ น, าา เ, น, นเพราะฉะนั้นในวิธีการของกุศลเห็นจึงมีกัล ย, ยาณมิตรหาได้ง่ายเพราะทําแล้วรู้เหมือนกันรูนะ้กายรู้ใจ รูปนามทังนั้นเบพิ่งต้นวันนี้จะพูดถึงเรื่องรูปนามก่อนในพอชีวิตเนี่ยตั้งต้นด้วยของสออย่างไลทตั้งต้นด้วย form and formless นะคือชีวิตจะตั้งต้นด้วยรูปกับนามกายกับใจทําไมเราใช้ว่ากายกับใจรูปกับนามแต่คนจริงกายกับใจเป็นส่วนหนึ่งของรูปนามแต่คําว่ารูปนามมันมันควบคุมทั้งหมดทั้งจักรวาลมีแค่สองอย่างคือรูปกับนาม นวิยาศาสตร์ใช่ว่าศาสสารพลังงานนาวิยศาสตร์อยู่แค่นั้นทางวิทยศาสตร์มองลูกมีแค่2แต่ในพุทธศาสนามองเป็นสามนอกจากรูป ก, กับนามแล้วก็อย่างในตัวนามเนี่ยแยกเป็นสองคือนามที่บริสุทธิ์และนามที่ไม่บริสุทธิ์นามที่บริสุทธิ์เท่านั้นามล้วนแต่นามที่ไม่บริสุทธิ์เท่านั้นามว่ารุณดังนั้นเอง เราก็เลยมาศึกษากันเราต้อใช้คาว่าจิตวิญญาณอะไรก็แล้วแต่แต่นั่นคือตัวรูปกับน้าขณะนี้รูปที่นั่งได้ในรูปที่นั่งได้เนี่ยเรารู้ว่าเรานั่งได้เนี่ยใครเป็นผู้รู้อะไรบอกเราว่าเรานั่งได้คนตายนั่งได้ไหม นั่งได้แต่ถูกเสียบให้นั่งอะไระฐานแบบนั่งได้แต่ว่าคนเป็นเนี่ยนั่งได้อะไรทำให้เรวนั่งได้ทําไมตัวเราตัวเราอยู่ตรงไหนนั่นใช่ไหมคาว่าตัวเราเนี่ยมันมีคําว่าตัวแล้วก็เราแล้วก็มีตัวเราคือรูปใช่ไหตัวคือนา้ำตัวเราคือรูปกับน้ำเพราะฉะนั้นรูปกับนามมันจะมีคําแปลนั่นไปเรื่อย ทีนี้ให้รู้ว่าเรานั่งเนี่ยเพราะเวทนาเป็นตัวบอกใช่ไหมนั่งตัวนี่มีความรู้สึกเป็นไงนักเน็ดสุดเย็นร้อนออนแข็งเค่งตึงตัวนี้เป็นเวทนาเวทนาอันนี้จะพูดในวันต่อไปวันนี้เอาว่ารูปในส่วนที่เรานั่งได้เนี่ยเราเรียกว่ากายกายเป็นส่วนของรูป และรูปอันนี้ไม่ต้องไปแยกกาบรบวชิธรรมหรว่าเป็นมหาภูดานุปทานยานปัฏฐานอะไม่ต้องละเอาแค่ว่ารู้ว่ารูปนี่มีความรู้สึกแต่ความรู้สึกที่ว่าเรารู้ว่ามีรูปเพราะมีเวทนาเป็นตัวบอกนะเรารู้ว่ามีรูปเพราะเวทนาเป็นตัวบอกถ้าคนนั่งแล้วไม่รู้สึกว่าตัวเองนั่งหรือไม่รู้กว่าตัวเองมีขามีแขนส่วนได้เนื่อหายไปตัวนึกว่านาม พิการหรือว่าเป็นอมลึกอวมผ้าอย่างนี้ขัว้วนามมันไม่สมบูรณ์ละดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยให้รู้ว่ารูปเสียก่อนรูปอันนี้ที่ตั้งได้เนี่ยมันรู้สึกตัวรู้สึกมีสองอย่างหนตัวรู้สึกที่เป็นเวหาได้แก่เย็นรู้สึกเย็นมีบางส่วนรู้สึกร้อนก็มีบางส่วนรู้สึกบางส่วนถึงอ่อนแข็ง เข่งตึงบางส่วนเคลื่อนไหวได้อันนี้เป็นอาการของรูปแล้วก็มีตัวเวทนาตัวเวทนาจึงเป็นได้สองอย่างเป็นได้ทั้งรูปและนามเพราะฉะนั้นโดยเวทนาทางกายก็ได้บอกให้เราว่ามีรูปเวทนาตัวนี้เชื่อมความรู้สึกกายไปสู่จิตก็เป็นเวทนาทางนามเวทนาทางรูปเ ร, เรียกว่ารูปนาะมถ้าเวทนาทางจิตเรียว่านามรูปตา่างไม่ทันนะเวทนาที่มาจากไหนคําว่ารูป ตามภาษาตรงนี้เขาเรียกว่ารูปในขัน5คือรูปแล้วก็แบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเขาเรียกว่าขัน5้ลักษณะที่เรานั่งเนี่ยเป็นรูปขันนะรูปขันที่เราสัมผัสได้เย็นด้านนอนแข็งตึงทีนี้ให้เห็นอาการของรูปนี้เป็นอะไรถึงจะถูก ตามหลักวิปัาสนาหเห็นอาการของรูปกเวทนานี้เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เที่ยงหรือไม่เทียเท่ยงเป็นตลอดเวลา ม, มีตัวตนที่แน่นอนหรือไม่แน่นอนไ ม, ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นตัวรูปกเวทนาวั้วยกันแล้วมันก็คือตัวอนิจจ์ทุกขังหน้าตาทํางานตลอดเวลาใช่ไหมเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม รูปนี้ทำงานตามหลักของอนิจจังทุกขังหน้าตาเรื่อยไปเราจะรู้แต่อันนิจจังทุกขังหน้าตาที่เป็นภาษาเนี่ยมันหลากหลายเแยะทาให้เราสับสนเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเย็นเนี่ยเป็นอะไรความรู้สึกเย็นเป็นอะไรเป็นรูปไม่ใช่เราและรูปจะต้องขึ้นกับกฎอะไรเสมอคือ อันนี้จางทุกขงังได้เย็นร้อนอ่อนแข็งเค่งตึงนี่เป็นอะไรเป็นเวทนาที่อายสายรูปหรือรูปนามดังนั้นความรู้สึกตัวจะมี2 อ, อย่างความรู้สึกตัวที่เป็นเวทนาแต่ถ้าเราไม่ฝึกเรื่องสมถะหรือวิปัสสนามาก่อนเราก็จะมีความรู้สึกประเภทเดียวคือความรู้สึกที่เป็นเวทนาแต่ในกรณีที่เรา ไปจับสิ่งนี้มันร้อนเราหมดมือเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นสติไหมเป็นไหมเป็นสติแต่สติมีสองระดับอันนี้ตามไม่ดันสติสัญชตาตญาณกับสติที่เป็นปัญญายาณ น, นะในตัวรูปนี้มีตัวเวทนาเป็นตัวแสดงและตัวเวทนากับรูปนี้ถ้ายังไม่มีวิปัสสนามันก็จะ รู้สึกตัวด้วยความเคยชินคือความเคยชินมันมีหลกัหลกๆที่เหมือนกันหมดมีเกี่ยงหนึ่งต้องการกินอาหารเวลาหิวนะไหมสองต้องการความปลอดภัยสามเวลาไปอะไรที่รู้สึกเป็นอันตรายเป็นยางไง กลัวซรู้สึกถึงความต้องการในการสืบอพันธุ์ของตัวเองของอัตตาเพราะฉะนั้นโดยสัญชาติญาณเนี่ยการหาอาหารใส่ปังหาที่อยู่อาศัยหาหนีความหนีภัยแล้วก็สืบพันธุ์สีอย่างเหมือนกันหมดไม่ว่าคนหรือสัตว์ถ้าเรามีความรู้เพียงแค่นี้ก็บอกเราเป็นสัตว์ไม่ได้ต่างกันเพราะสัตว์มันต้มีความรู้ชนิดนี้เหมือนกันความรู้ในการแสวงหาอาหาร เจ้นาน้ที่อยู่อาศัยสวัสดาาิการสิ่งพันแล้วก็เวลามีภยัยเกิดขึ้นก็วิ่งหนีกลัวตายนะอันนี้ความรู้ชนิดนี้ก็เป็นสัญชัยาิาณก็เป็นสติได้เหมือนกันแต่สัญชตาตยญาณที่สูงจะต่ําขึ้นอยู่กับการศึกษานั่นว่าอีกเรื่องดังนั้นเมื่อรูปมาปบ ก, กับเวทนาเรียกว่ารูปกับนามทีนี้ในตัวนามเนี่ยแบ่งเป็นสองคือนามที่เป็นสัญชัตยาน กะนามที่เป็นความตั้งใจที่จะให้รู้ให้เกิดขึ้นนั้นเราที่มาสร้างตัวนี้คือสร้างตัวนามอันที่สองนามที่เป็นสัญชัติยานไม่ต้องไปสร้างมาันมันเกิดกันมาเกิดกันเมาตั้งแต่เกิดเกิดมาก็มีเลยความรู้ประเภทนนั้นอยูมาอยากปี น, นูไ ม, ม่ก็ร้องให้ใช่ไหมรู้สึกเจ็บปวดทั้งคนันนี้ก็ร้องโดยสัญชัติยานของเขาเพาเขาต้องการอะไรต่างๆเพราะนั้นเรามาสร้างสมถะหรือวิปัสสนาถ้าหากว่ามาเริ่มต้นที่กาย สร้างความรู้สึกทีกายเรียกว่าเป็นสมถะฝึกดวสมถะแต่สมถะก็มีสองอย่างอีกสมถะแบบวิถีพูดกับมันสัทธะสมถะแบบวิธีพร า, บบพามตรงนี้มันจะละเอียดขึ้นนะแต่ว่าตรงนี้ให้รู้ก่อนว่าในตัวรูปมีตัวเวทนาเป็นตัวแสดงและตัวเวทนานี้เป็นตัวบอกให้เราว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีความทุกข์แล้วก็ต้องการให้เป็นงนั้นตลอดไม่ได้เดี๋ยวนั่งเนี่ย สักพักหนึ่งต้องการให้ท่านั่งนี้มีอยู่ตลอดไปได้ไหมไม่ได้เพราะท่านั่งนี้มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันเป็นทุกข์มันค่อยโซถึงว่าจะต้องเปลี่ยนไปสู่ท่าใหม่เป็นอ น, นัตตาควบคุมไม่ได้และเขับบัญชาไม่ได้ตามที่เราต้องการมันเป็นอ น, นัตตาดังนั้นเบื้องต้นท่านจึงให้มารู้สึกสองอย่างนี้ก่อนหนึ่งรู้สึกที่เป็นรูปก็คือตัวกายกับเวทนาเราเรานี่สองรู้สึกที่เป็นนาม จะ แ, แก่สัญญาสังขารวิญญาเรียกว่าเป็นนามและนามที่เป็นสัญญาสังขารวิญญาทแบ่งเป็นสองอย่างอันหนึ่งที่เป็นความรู้ที่เป็นนามที่มันรับใช้ตัวสัญชาติญาณหรื อ, อวิชารับใช้อวิชาเรียกว่าสัญชาติญาณแต่ถ้ามันรับใช้วิชาคือความรู้สึกตัวที่เรากำลังสร้างนี้เรียกว่าเป็นตัววิปัสน AY าญาณซึ่งเป็นตัวใหม่ที่เราต้องสร้าง แต่วิปาาัสนาญาณบางต้นเป็นวิปาาัสนาญาณที่ของร่างกายไปก่อนแต่ความจริงเรื่องวิปัสนาเป็นเรื่องของจิตแต่เราเอามันใช้กับกายบ่อนเพื่อให้เกิดอะไรเกิดกายแล้ผู้ประสบการณ์แบบง่ายๆ ย, ยกทุกครั้งเนี่ยจิตมันรับรู้พอรับรู้ปั๊บมันก็ซึมซับเข้าไว้ในจิตใต้สำนึกของเราเมื่อมีอสมมุติว่าเรายกยี่บ่อยเข้าบ่อยเข้าเวลามาจะเหลียวไปหยิบอะไรบาอย่างมาเริ่มรู้สึกละ ไอการที่รู้สึกที่จะไปจับอะไรโดยรู้สึกตัวโดยโดยรู้ว่ากาลังไปหยิบอะไรเนี่ยแต่วก็เอามือกลับมาโดยรู้สึกตัวอันนี้เริ่มมีประสบการณ์แต่เมื่อก่อนที่เราไม่ได้ถูกมาที่นี่จะต้องการอะไรบาอย่างไปไงจับไปเลยก็มาเลยใช่ไหมอันนี้เป็นสัญชาตญาณแต่พอต่อไปไประสบการณ์ที่เริ่มบ่อยเข้าบ่อยเข้าไปเข้าเริ่มคุ้นจิตเริ่มคุ้นพอจะหันไปจับอะไรทีนึงเริ่มรู้ตั้งแต่ขยับมือที่จะไปจับ แต่ว่าไม่ใช่ใช้ยอย่างนี้นะแต่มันอาจจะจับไวๆนี่แหละแต่มันรู้ตลอดขบวนการทของการหยิและรู้ตลอดขบวนการของการดึงมือกลับมานี่เป็นเริ่มเป็นแต่เราเรียกตรงนี้ว่าเป็นรูปนามเราไม่เรียกว่าเป็นนิพสัญญาณแต่ว่าคือเริ่มต้นจากนี้แหละนิพสัาญาณในส่วนที่เป็นรูปกับนามดังนั้นเราจึงกําหนดรู้บ่อยๆจากเบื้องต้นเนี่ที่ทำอย่างนี้บ่อยๆเพื่อ ให้เกิดประสบการณ์ทางกายเพราะทางกายของเรานั้นมันง่ายต่อการสังเกตเพราะมันเป็นรูปสัมผัสได้ตรงๆนะแตหากว่าจูจๆบอกว่าไปดูจิตเลยจิตนามรูปเป็นงไงนี่สุนใหญ่พลาดกันทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะฐานประสบการณ์ทางจิตทางกายเนี่ยมันยังไม่เข้มแข็ขงพอเหมือนเดออ็กจูจๆให้เขาไปเขียนว่า เป็นหนังสือเลยไม่ได้มันก็ต้องมาเขียนกอไก่ถึงหองหุกให้เป็นเสียก่อนพราะเขเขียนกอไก่ถึงหองหุ้เป็นแล้วก็ต้องมาเขียนว่ากอไก่บวกสระที่อ่านว่าอย่างไรซสียก่อนก่อนที่จะไปเขียนเป็นคำว่าอ่านว่าอย่างไรเนี่ยไอการเขียนแล้วอ่านได้เลยเนี่ยถ้าสมมุติเป็นนามธรรมก็คือระดับที่ปัสศนาการเขียนกอไก่แล้วก็บวกสระว่าคํานี้อ่านว่าย่งไรบวกคํานี้อ่านว่าย่งไรเป็นลักษณะของสมถะ สมรรถคือเรียนรู้ในตัวบทตัวหลักเอาไว้ก่อนในแง่ของปฏิบัติก็คือรูป ก, กับนามเข้าไปเกี่ยวข้องโดยมีสติเบื้องต้นสติเบื้องต้นที่เป็นสมรรถเกี่ยวข้องกับรูป ก, กับกายนี้เพราะฉะนั้นเราจึงใช้นิมิตหรือใช้เครื่องมือที่เป็นอุบายกรรมฐานอยู่ถึง6แบบในส่วที่กายที่กล่าวไปเมื่อวานจาได้ไนหะแบบที่หนึ่ง คุณพุจําจได้คืออะไรแบบที่สองคุณจูเนียจำไม่ได้แบบที่สามคุณโจโจําได้คือคื อ, คอตรงนี้การูนานนดนินึงนะว่าแบบที่หนึ่งที่เราคุ้นกันที่อธรรมบอกว่าเป็นบุคคลธรรมฐานคืออ่าอันที่หนึ่งคืออานาปนาสติเพราะว่ามันเป็นเป็นยามของชีวิตลมหายใจคือยามของชีวิตเมื่อใดยามคนเนี้ยมันอยู่ทํา ง, งานของมันแค่ห้านาทีเราอยู่ได้ไหม อยู่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเอาบางอย่างป็นึ่งนะเอามาเป็นกรรมฐานหายใจเข้าหายใจออกทีนี้ครูบาอาจารย์นิเปงว่าถ้ามีสติกำหนดรู้หายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวเนี่ยเนื่องจากว่าคนเรามันมีอัตาตาโดนโดนเพราะฉะนั้นจับรูปอะไรอะไรหนึ่งขึ้นมาสมมุติให้ลมหายใจเนี่ยเป็นตัวตดนซะเช่นเอาพุธเข้าไปใส่หายใจเข้าเออหายใจเข้าต้องนึงกว่าพุธนะให้เห็นเป็นภาพขึ้นมา หายใจออกนึกว่าโพนะหายใจเข้าหินทองพองนะหายใจเข้าหินทองยุบนะหายใจเข้าหินสัมมานะหหายใจออกเห็นสัมอลหังนะหายใจเข้าหินเกหนึ่งเล็กสองะหายใจออกเห็นเลกสามสีมีวิธีการต่างๆใช้คำสมมุติเหล่านี้มาประกบกับลมหายใจเพื่อจะนึกได้ง่ายๆนี่เพราะฉะนั้นลักษณะลมหายใจนี้ก็ใช้เพื่อเป็นบริกรรมหรือว่าสมถะ ต่อไปอันที่สองคืออะไรโอ้ใช้ลงหายใจแล้วไม่ไหวฉันง่วงเหลือเกินนั่งไปสักพักก็หลับไปเลยแล้วคนนั้นก็ถ้าใช้กรรมฐานบทนี้บทเดียวมีโอกาสที่จะกรรมฐานก้าวห น, าน้าไหมไม่ก้าวหน้าเพราะติดกันว่าฉันทําไม่ได้เพราะมันง่วงมันหลับไปเลยเพราะสติสัมยักไม่พอก็อมาใช้อันที่สองคือใช้ทบทสี่ยืนเดินนั่งนอนยืนนิสัยใหญ่ก็เดินจงกรมเดินตรงกรมนั่งปฏิบัติ จะนั่งบไหนก็ได้ทีนี้อันที่สองกับอันที่สามเนี่ยมันร่วมกันอันที่สองเรียกว่าสัมปชัญญะอินรียบทสี่ใช่ไหมอันที่สามเรียกว่าสัมปชัญญะเอาสองอันนี้มาบวกกันเลยคืออินทรียบทสี่ยืนเดินนั่งนอนมาบวกกับอินทรียบทย่อยเพราะในอินทรียบทยืนนั้นมันก็มีการเคลื่อนไหวอินทรียบทนั่งก็มีการเคลื่อนไหวอยู่เยอะเลยทับตาอ้าปากหายใจเรียวซ้ายไหลขวา ยกคือหยิบยับจับเฉยอะไรนี้อันนี้เป็นเดียบลย่อยเรียกว่า3ามบรรัติเอามาบวกกันเราจึงมาใช้วิธีที่สองนั้นวิธีการของพ่อเทียนก็คือใช้วิธีที่2กับที่สามบวกกันเพราะว่าหลังจากท่านใช้อันที่หนึ่งมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลไม่ได้ผลไม่ใช่ว่ากรรมฐานไม่ดีแต่ว่าอินทียเราอ่อนหรืออินเราไม่เข้มแข็งพอที่จะไปรับกรรมฐานละเอียดดังนั้นก็มาใช้อันที่สองที่สามบวกกัน เหมาะกับกำลังของอีกสีของเราพอเรายกอย่งนี้ขณะนี้เราอยู่ในอีบดไหนในสี่ีบทเราอยู่อีบดไหนตอนนี้อีบทนั่งแล้วเรายกมือนี้ไปอีบทไหนเป็นอีบดย่อยใช่ไหมอีบดนั่งนี้ไปดีอีบทใหญ่เวลาเรายกมือไปดีอีบทย่อยเอาสองอันนี้มาบวกกันเป็นหมวดที่สองและที่สามของเรื่องของกายบางคนยกมือ นั่งยกมือก็ไม่ได้นั่งรุมหายใจก็ไม่ได้อีสีอ่อนก็ท่าน้นีให้ไปพิจารณาในตัวของเราเนี่ยมีอาการที่ปรากฏอยู่มีอายุวัติอีส่วนถ้าบุตรร่งกายมีกี่ส่วนสามสิบสองส่วนเรียกว่าอาการสาสองไปดูอาการสามสิบสองไม่ใช่ว่าดูตรงนี้สับสนนะว่าไปดูอาการสามสสองคือไปดูทีละอย่างนี่ผมขนเล็บฟันหนังตับไตไส้ปอดมา้าอะไรดูทีละอย่างเลยอย่างออกมา อันนี้เป็นสมถะแต่ในตัวของบทกายานุปัสสนาท่านบอกทวัติงสาการะวติงส า, าหมายถึงสามนสองนะแล้วสาการบวกอาการเป็นทวิติงศาการให้ดูอาการไม่ใช่ดูอายะวยะวัตควนี้นขณะ น, นี้อาการสามในสองของเราเป็นยังไงบอกได้ไหมอาการของมันอาการเป็นงไง อาการขมันก็เย็นร้อนอ่อนแข็งเข้งตึง น, นั่นคืออาการในส .2 รวมแล้วขณะนี้คนไหนรู้สึกเย็นมากๆ ก, กอ็อาการสาสองของเราคือเยน็นบางคนไม่ได้เยน็นมากแต่ร้อนมากอาการสาสองของเราก็คือร้อนบางคนน่ามานานปวดไปไงปวดค้อปวดเอวปวดเอ ว, ว, ว, วอาการสามจสองของเราก็คือปวดอันนี้ไปดูอาการมันถ้าดูทีละอย่างเนี่ยจิตขเราจะฟุ้งไปหมดเลย อ, อันกกนั้นก็หน้าดูอันนี้ก็น่าดูมันเป็น่โฟกัสเนี้ย แต่ถ้าดูอาการที่นี่ในตัวของเรามีอาการเดียวหรือหลายอาการอาการเราจะดูอาการไหนถูกต้องอาการไหนชัดที่สุดให้ดูอาการอันนั้นขณะนี้อาการชัดแต่เรคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนบางคนร้อนบางคนปวดบางคนเมื่อยบางคนเบื่อบางคนเซ็งบางคนเหงาอาการออกมาไม่เหมือนกันเราก็ต้องไปพิจารณาอาการที่ปรากฏชัดของเรา นั่นทีเราดูที่อาการอันนี้สําหรับคนที่ไอซีอ่อนมาทำที่หนึ่งก็ไม่ได้ที่สองที่สามเหมือนว่าทําที่สี่คือมาดูอาการท่านก็เลยปรินดน้างือซิอาการที่ให้มันปวดที่สุดเลยมเพื่ได้เห็นอาการชัดๆสําหรับบางคนเรียกว่าน่าหน่อยเพราะฉะน้ต้องใชอาการชัดๆถึงจะรู้เคียนนิดเดียวไม่รู้สึกเคล่อนนิดนอยฟาเต็มที่เลยถึงจะรู้สึกอันนี้พวกนี้หนาหน่อยนะก็ถึงใช้อนุี้ที่สี่ อันที่สี่แล้วมันก็ยังไม่เวิร์กั่นนะเดี๋ยวก็หลุดมันก็ลืมอีกมาใช้อันที่ห้าอันที่ห้าคือมาดูร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุกี่ธาตุอีกคือดินน้ำลมไฟในส่วนไหนเป็นธาตุดินส่วนไหนกระดานที่มันเข่มมันแข็งมันแคบมันแข็งนั่นเป็นธาตุดินผมผลเล็บฝ้าหนังพวกนี้นะเป็นธาตุดินแล้วส่วนไหนธาตุที่สองคือธาตุน้ําส่วนไหนที่เป็นน้ําเช่น น้ำเลือดน้ำเหลือง น, น้ำบุกน้ำลายน้ำตาน้ำเมือกอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยอันนี้คืออาการของมันนะเราไม่ได้เห็นน้ําหยดๆออกมาแล้วนะแต่ที่เรารู้ว่าเป็นธาตุน้ําคือเป็นไงคือบบร่างกายเนี่ยมันมีเย็นมีร้อนเพราะอาการธาตุน้ําปรากฏอันที่สามคือธาตุลมอันนี้ดูง่ายหน่อยคืออาการที่เราขึ้นไหวได้เนี่ยด้วยอำนาจของธาตุอะไรเช่นเวลาลุนพัดใบไม้เราจะเห็นมันไหวใช่ไหมเพราะนั้นอาการที่เราไหวได้ด้วยอำนาจของ ลมนะแล้วก็ที่เหลวใช้อะไรกาได้เพราะลมทั้งนั้นนะแล้วก็อันสุดท้ายท้าสุดท้ายคือไฟนะไฟีนะไฟ่ออกมาในรูปของอะไรรูปของความอุม่นความเย็นไฟในท้องไฟในไส้ไ ฟ, ใใไฟย่อยอาหารไฟธาตุต่างๆทำให้เราเมื่อคุมกันแล้วอันนี้พิจารณาที่อย่างดินน้าลมไฟดินก็คือดูกายทีเป็นผมขนเล็บปนหนังนะดูน้าก็น้ำเลือดน้า เหลือมตีเสลน้องอะไรก็แต่ดูลมก็การเคลื่อนไหวของลมกัรลมขึ้นลมหายใจเข้าหายใจออกลมขึ้นเบื้งสูงลมลมเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวให้ให้ดูให้ชัดชัดแล้วไฟก็คือความที่รู้สึกตึ่รู้สึกเคร่งรู้สึกปวดด้วยทัดไฟเวลาปวดได้ทัดไฟเผาเราตรงนั้นแสบเต็มเตเลยใช่ไหมนันทัดไฟมันเผาเราเราก็ต้องดับด้วยการใช้อะไร ดับไฟเวลาเราไปดับไฟทําไงอ๋อไปดับเทียนเนี่ยเอาน้ําสาดเลยเหรอมันก็เกินไปนะก็เอาอะไรทําไงเว้แค่ไปดับเทียนเนี่ยเอาลมเอาลมปอบพุบเลยใช่ไหมไอการที่เรามันปวดตรงนั้นเราขยับกายนิดหน่อยแล้วไฟเป็นไงดับไหมไม่ดับไม่ดับได้ไงปวดมันหายไปอ่ะไอการที่มันปวดตรงนั้นไฟมันเผาแล้วถ้าไฟมันแสดงแล้วที่มันเจ็บมันปวดตรงนั้นะพอเราขยับนิดหนึ่งลม เปดับเลยมันสิสบายขึ้นใช่ไหมนี่เขาเรียกใช้ดินน้ำโดไฟเข้าไปเป็นกรรมฐารอันที่หอันสุดท้ายอันที่หนึ่งก็ง่วงก็ง่วงอันที่สองที่สมก็เลื่อก็เซ็งอันที่สีก็ลืมก็หลงอันที่ห้าก็เยอะเกินไปเอาอันที่หนุ่นไปไปช้าทิ้นทั้งเจอมาศ่งเขากําลังทิ้งกขากำลังอื่นเขากาลังเผา เขากำลังหรือบางแห่งก็อเอาโครงกระดูกมาแขวนไว้ในวัดเลยนะเ<น>คยเห็นไหมเอาโครงกระดูกมานั่งเพ่งมีเรื่องแทรกเข้ามานิดหนึ่งว่ามีาาว่าสํานักนั้นสระ น, นี้มีพระองคหนึง่งเป็นชาวต่างประเทศเข้ามาอยู่ประเทศไทยบวชได้18บแปดพรรษาวัดนี้เราเคยไปพาพระไปทุดุลก็ถ้าชาวบ้านตายเนี่ยท่านยังจะเพราะว่าไปราชญอยู่ในวัดวัดเรานะ พระชายเนยว่าเป็นวัดป่าวัดใหญ่เขาชาวบ้านเขาก็มาขอสร้างในวัดพ่ที่กว้างดัง น, นั้นเมื่อชาวบ้านตายท่านเขาก็ออกมาเผาแต่พระองค์นี้จะไม่ยอมให้เผาบอกว่าขอไว้ที่พระชายนี่ก่อนทักสามวันให้เผายมก็ยอมนนในช่วงสามวันท่านก็พาพระลูกศิษย์น่นนะไปพิจารณาสุกทุกวันกลางคืนด้วยนะสี่ทุ่มห้าทุ่มมพิจรณากันกลางวันไม่ไปนะไปดึกๆเพื่ออะไรเพื่อจะได้เกิด องค์สังเวชลดอสุภาะลงเท่านี้ทุกปีทุกปีที่นี่มันมีอยู่ปีหนึ่งเมื่อประเทศลาวแต่กคนลาวทั้งผู้หญิผู้ชายหลังเข้าเขตทางนั้นนะ <c oughs> เขาไปว่ามีโยคนหนึ่งนี่เขาก็าไปอยู่ในหมู่บ้านพระก็ไปบินถวายบ้านนั้นแหละต้องปฏโยลาวก็เรียกร้องให้พวกวันเพราะภาคี่ภาคีอยู่ที่นอนอะไรต่างๆพัดภาคสมบัตผิผู้ัวครเมียเป็นผู้หญิงพระท่านก็แผ่เมตตาให้ให้คนทุกวันรุวั ไอ้เมตตาเขาภาคก็บอกเอยมทำกรรมฐานมั้งนมันจะได้ลดความสศกความเศร้าความสูญเสียลงโยมก็ทำกรรมฐานเพราะฉันทําแล้วมันไม่เข้าใจหลวงพ่อเออนัไปที่วัดอาจารย์มาได้สอนให้ไปที่วัดภาคก็สอนให้อย่างดีสอนไปสอนมาภาคก็ได้สงสารยมสงสารไปสงสามาภาคบอกฉันต้องรับผิดชอบต้างโกรธญาติโกรธโยมนั่นะ ท่านก็เลยสิบออกไปโบนี่อีกคนนึ่งพิจน า, าชาดสมันสิบปีเนี่ยมันไม่เวิร์กเลยนี้พราะฉัี่คือสมถะเนี่ยมันย่ตามไม่รู้เท่าทันจิตจนกระทั่งทุกวันเนี่ยหลวงพ่อเจ้าคุณประยุทธ์ท่านสงสารท่านก็นเลยมาเป็นเลขาทำหนังสือของท่านที่เป็นสายกีทุกวันกีมือของพระลูกนี้นะท่านจะเป็นซอสเซเลีย <c oughs> เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเฉพาะสมถารเนี่ยถ้าไม่ขึ้นสูงนี้ปัิศนาเนี่ยมันไม่เวิร์กนะคุณจะพิจารณามานานขนาดไหนก็ตามมันก็ยังมีอาตาโตนอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาว่าตัวพิจารณารูปคือพิจารณาทั้งหกถ้าหากว่าในวิธีการของพระถนี้นจะบูรณาการทั้งหมดเลยแต่บูรณาการแบบที่ปัิศนาลมหายใจก็ใช้ใช้ตอนไหนตอนน้ำ ห, หนักหนักเน่ยมันหายใจแรงใช่ไหมตนขึ้นที่สูง รเราไม่ต้องไปใส่พูดทูลไม่ต้องใส่สมมาลาหังไม่ต้องไปสังเกตเท้องไม่ต้องนับทั้งนั้นแค่หายใจเข้าออกก็รู้ก็าหายใจเข้าออกนี่เป็นส่วนหนึ่งของการอะไรเคลื่อนไหวใช่ไหมที่เป็นส่วนย่อยภับตาห้างปากหายใจรู้ซ้ายหรือขวาเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าวิธีการของพรเทียนปฏิเสธลมหายใจท่านไม่ได้ปฏิเสธแต่ท่านใช้เลยนะอันอันไหนที่ปรากฏใช้เวลานอนหายใจฝึกทุกวันนะ บางคนนอนแล้วก็ไม่ได้ดูใช่ไหมคิดวันนี้หาดุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่พูดตื่นเท่าไหร่พรุ่งนี้จะทำอะไรฟุ้งไปเลยลุมหายใจเข้าออกอยู่แต่ไม่มองไม่ดูนะมันก็เลยไม่กรรมาฐานตรงนั้นพอนอนหลับปับ๊บดึงจิตให้คุ้นเลยไปอยู่กับลมหายใจเมื่อก่อนก็ยาวว่างห้านาทีเจ็นาทีถึงจะหลับได้แต่หลังมาพอดูทุกวันมันไปสั้นเข้ามาสั้นลงามาผู้วันนี้พอนอนหลับปับ๊บดึงจิตมาอยู่กับลมหายใจปับ๊บหลับได้ปุ๊บเลย ไม่เกินสองนาทีทุกอย่างที่เราทําทุกวันนี้มันจะชนานาญเมื่อชนานาญแล้วมันสั่งได้มันควบคุมได้ดังนั้นรีบทย่อยเราก็ใช้รีบทใหญ่ใช้ทาสี่ขันห้าใช้หมดนั้นในกายานุปัสสนาในวิธีการกหพ่อเทีนจะใช้ทุกอย่างแต่ว่าหยิบเอาในส่วนที่จําเป็นเช่นไปนดูอาการสาสองก็ดูที่อาการ ไม่จะ่ไปแยกว่ามีผมคนเนล็บฝานังมูลกรรมฐานให้อยากไม่ต้องแยกแบบนั้นให้ดูอวการแล้วดูวาการปรากฏตลอดเวลานะปรากฏหนักบ้างเบาบางเจ็บบ้างขันบ้า ง, อ ะ, า ง, างอะไรปรากฏให้เห็นตลอดเวลาแล้วถ้าลมเราก็เห็นคือกาเคลื่อนไหวเป็นลักษณะของท่านลมไม่ว่าเคลื่อนไหวของลมหายใจหรือเคลื่อนไหวของกายที่ได้ยกที่้วต่างเป็นท่านลมไอการที่เรานั่งได้เป็นธาตุอะไรเป็นธาตุิน แข็งแข็งถ้าติดเห็นไหมน้ำร้อนไฟนนแล้วขณะที่นั่งอันนี้สักพักหนึ่งเ้าปวดหนักปวดเบาอะไรเกิดขึ้นล่ะไม่ใช่เมื่อปวดหนักปวดเบาเนี่ยความรู้สึกเราสบายหรือไม่สบายความรู้สึกไม่สบายเทียบเท่ากับความงดงามหรือความสกปรกสกปรกนั่นเป็นในสุภาแล้ว อสุภาพปรากฏตรงที่เราหนะักเราเบาอสุภาพไม่ต้องเป็นนั่งพิจารณาดูกองวิชาลักษณะให้ลำบากเลยอาการของอสุภาพเนี่ยมันทาใหน้เราเฉยเฉยไม่ได้แล้วต้องรีบกล้องน้ำม่องสอง้มให้พิจารณาลงปตรงนั้นนะคืออสุภาพตัวจริงนะอสุภาพที่ไปเป็นอาการไม่ใช่อสุภาพที่ไป น, นั่ ง, ง, งพิจารณาสบติดติดตัวปีก็ยังกรรมฐานแตกได้อยู่อสุภาพแบบนั้นไม่เวิร์กนะเพราะฉะนั้นอสุภาพที่มันเวิร์กจริงๆก็คือปวดหนักปวดเบาหรือหิวอะไรที่มันจะบีบคั้นเรา อาการนี้ทําให้ใจของเราเป็นไงไม่มสวยงามเลยใช่ไหมอสุภะอย่าแปลว่าสวโปรอสุภะแปลว่าไม่งามอแล้วก็ตามความรู้สึกอะไรประการที่ไม่งามให้พิจารณาว่าอันนี้คืออสุภะถ้าพิจารณาอสุภะแบบนี้บ่อยๆมีปรสนาเป็นไงก็ื่เจริญนะเพราะฉะนั้นแก่เราเห็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันไม่เห็นผู้หญิงผู้ชายละเห็นแต่อาการที่เป็นอะไร อนนี้ใจทุกข์ควานับตาเมื่อเห็นแต่อาการทีนี้ถ้าเราไม่ทําให้ชํานาญเนี่ยนานๆพิจารณาครั้งเราก็ยังเห็นเป็นหญิงเป็นชายอยู่เห็นเป็นหญิงเป็นชายนิพพานมีไหมไม่มีแล้วเพราะเดี๋ยวก็หญิงสวยหรือไม่สวยชายหล่อหรือไม่หล่อมันขึ้นมาแล้วทีเนี้ยอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยอาหารดีหรือไม่ดีมันก็ขึ้นมาเพราะเห็นเป็นตัวไปสมมุติไปแล้วเพราะนั่นเราเห็นได้แค่สองอย่างเท่านิพพานเป็นที่แล้วคือเห็นได้ว่าเป็นรูปกับเป็น นามโอ้หเมื่มันจะเป็นสักทีนะมองที่ไหมันเป็นผู้หญิงผู้ชายทุกทีมองที่ไหนเป็นโยมเป็นพระทุกทีเนี่ยเมื่อไรจะเป็นให้เนี่ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะมีคําคําหนึ่งที่เราจะต้องฝึกเอาไว้เพว่าเห็นสต้วที่หลวงพ่อเทียนเห็นซื่อเห็นเฉยมองดูซื่อไม่ต้องพิจารณาว่าเอออันนี้เป็นหญิงหรือเป็นชายหนออันนี้เป็นลูกหรือเป็นนามหนอถ้าคืนพิจารณานนี้มันเข้าไปในอะไรเข้าไปในความคิดเรียบร้อยแล้ว ความคิดเป็นตื้นต่อของรูปโอ้เรื่องนี้เข้าไปไกลมึงไปเลยนะจะเข้าไปลึกไปแล้วกลับมาตั้งเรื่อใหม่ว่าในขณะนี้รูปนามที่ตั้งอยู่ที่เรารู้ว่ามีรูปมีนามเพราะมีตัวเวทนาเป็นตัวผู้บอกและการไปเห็นตัวเวทนาหนักและเบาเราควรเปลี่ยนไม่ควรเปลี่ยนและตั้งใจที่จะเปลี่ยนและตั้งใจที่จะอยู่ต่อ น, นี่อันนี้ลนะักษณะของสกิที่เป็นวิปัสสนา แต่รู้สึกปวดปก็เราคลิกไปเลยอันนี้เป็นสติที่เป็นสัญชาตญาณ น, นะแต่รู้สึกว่าปวดแล้วยังไม่คลิกทันทีดูมันกิแล้วปวดน้อยหรือปวดมากทนได้หรือไม่ได้รู้สึกว่ามันทนไม่ได้ก็ขยับนิดหนึ่งแล้วเห็นมันอ๋อมันหายแล้วละก็ไม่ต้องเปลี่ยนกลับมาใหม่ววเพราะทำไปำมาทําไปทํามารู้สึกมันเพลินรู้สึกตาหนักทําไงถ้าหากว่าคืนทําต่อไปแสดงว่า ได้สติได้ยังไม่ได้มันก็จะเป็นไปตามกฎของมนิจังลูกคือง่วงไปเรื่อยๆง่วงกรีบก่อให้เกิดการเบื่อเบื่อตรงนี้พอหายเบื่อก็ไปเป็นผู้สั่นมันจะไปตามเรื่องของมันเลยทีนี้แต่พอรู้สึกว่าเออหนักหูวหนักตาเพราก็อย่านั่งอยู่ตรงนั้นลุก hmm? ขึ้นลุกขึ้นสั้นงจับหวะหรือเดินจงกลมเดินจงกลงมันก็ยังหนักยังเหนื่อยอยู่ทําไงก็ไปล้างหน้า แต่ส่วนใหญหน้าก็หาการมาคุยกันเลยฉันง่วงแลืวเกินไม่ไหวนี่จะติดับแล้วนะวันนี้นะกระหอบนึกถึงเสือทุกหมอนถึงทำไม่ไหวเพราสนาบารามีนไม่พอไปลุ่นเลยวามคิดมันจะเลยไปเรื่อยๆในซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันป๊อปเนี่ยมันมันพุ่งแทงไปเรื่อยๆนะโอ้หง่วงแล้วเกินไม่ไหวกาลุงก็แก้ไขเท่านั้นเองนี่คือสติที่เป็นเป็นวิปัสนาญาเกิดขึ้นแต่ถ้าสติสัญญายานก็ไปมาเรื่อยๆง่วงก็เกินไป ด่งนั้นเราจึงทำอย่างนี้ให้มากๆเพื่ออะไรเพื่อให้จิตได้สั่งสมประสบการณ์จากการรู้ตัวเนี่ยให้มากๆเมื่อสั่งสมตัวนี้มากเข้ามาเข้ามากเข้าแล้วมันก็จะเกิดรู้ขึ้นเองว่าอ๋อโม่งต้องทําอย่างนี้อ๋อปวดต้องทําอย่างนี้อ๋อเมื่อยต้องทำมันมันจะรู้ขึ้นมาอย่างนี้ตรงที่รู้ขึ้นมาว่าควรจะแก้ไขอย่างนี้เรียกว่าสติที่เป็นวิปัสสนาแต่รู้สึกว่าปวดปุ๊บไปเลย ปวดหนักกไปเลยปวดเบาไปเล ย, เลยนี่เป็น ส, น ส, ต, น ส, สติที่เป็นสันสัยานสสติที่เป็นสัญสัยานมันจะรักษาร่างกายแต่สติที่เป็นวิปัสนาญาณมันจะรักษาใจเพราะฉะนั้นสติมีสองระดับถ้าเรามีสติระดับรักษากายอยู่ท่านบอกเรายังไม่แตกต่างจากสัรพสัตว์ทั้งหลายเราจึงเป็นมนุษย์จึงมาพัฒนาสติอีระดับหนึ่งที่เป็นวิปาาัสนาญาณ และสติที่มีปรัชนาญาณนี้ต้องเริ่มด้วยสติที่ไปทางการเพราะมันเป็นตัวหลักดังนั้นการรู้สึกตัวที่จะสังสมได้เยอะๆไม่ใช่มานั่งยกมือสร้างจังหวะอย่างเดียวไม่พอต้องตามรู้ทุกขณะที่อยู่พรพุจาไม่ใช่คําว่าเป็นลูกโซ่รู้เป็นลูกโซ่ไม่ได้หมายความว่ามานั่งสร้างจังหวะโดยจุกมืเป็นลูกโซ่ตลอดนะไม่ต้องทามหากริยากันนะ ไม่ใช่เด็ไม้เขาไว้อะมันมีความจำเป็นอะไรก็ไปทําแต่ขณะที่ไปทำมันให้รู้ด้วยว่าลูกอย่างไรก่อนที่จะไปห้องน้ําเนี่ยให้รู้ตัวก่อนแล้วลูกอย่างไรขยะจุยยังไงก็ลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นความรู้สึกที่หายไปไหนความรู้สึกที่มนหนักนะะแล้วจะเดินไปหมุนซ้ายหรือหมุนขวาก้าวขาไหนก่อนเคยรู้อย่างนี้ไหมโอ อันฟอร์จูเน่ดีเลยเนี่ยมันเคยนึกได้หมบฟิปปอกไปเลยว่าเถอทีนี้พอมาถึงที่แล้วจะนั่งจะนั่งยังไงให้รู้สึกว่ายืนเสก่อนแล้วก็หย่อนกระโปรงแล้วก็นั่งได้สาเร็จแล้นั่งสําเร็จตรงแล้วเนี่ยความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นในขณะที่อยู่เดี่ยวๆคือความรู้สึกอะไรสบายหรือไม่สบายสบายดูต่อไปอีกสักพักหนึ่งความสบายนั้นยังอยู่มันเดิมไหมเพราะมันเป็นอะไร อันนี้จาทุกขออ์ามันนจางมันมันทำงานให้ดูตลอดแต่เราเคยดูมันบ้างไหมไม่เคยเพราะเราขาดสองอย่างหนึ่งไม่ใช่ขาดสติขาดสติแน่นอนอยู่แล้วแต่ก่อนสติที่มันจะเกิดเนี่ยมันผ่านสองอย่างหนึ่งต้องพบกัลยาณมิตรต้องมีกัลยณมิตรมาแนะนําถ้าเราไม่มีกัลยณมิตรเราก็จะไม่รู้เรื่องนี้นั้นบอกว่าคนที่บุคคลที่จะเห็นทางของอริยมรรคนั้นจะต้องขาน ประสบการณ์สองอย่างหนึ่งพบกรเรียนมิตท่ใช้คําว่าประโดดโพสต์สองต้องมีโยนิสมาศิการกรเรณยนมิตนั้นทําให้เราได้เริ่มต้นกระเรียนมิตช่วยเราได้50สซส่วนโยนิสมุมาศิกาเป็นเรื่องของเราอีก5 0าเรถ้าเราใช้สองอย่างนี้ได้พบเราได้บุพนิมิตแห่งอาริยมร้อยปร์เซ็แต่ว่าในกระเรียนมิตนั้นก็ต้องดูอีกว่ากรณเิียน อันใดที่ชี้ทางเราถูกการเรียานามิ้พู้ใดชี้ทางเราผิดเราต้องดูตรงนั้นด้วยแต่ส่วนใหญ่เราก็มีคาาารูบาอาจารย์เยอะแยะการเรียนรู้หมายถึงครูบาอาจารย์แต่ในตัวการเรียนรู้ท่านแยกอีกสองสาอย่างคือการเรียนรนสหายแล้วก็การเรียนะสัมปองกาตาในตัวการเรียนรู้เองมันแยกเป็นสามฟังก์ชันเลยนะฟังก์ชันในดึงก็คือได้ครูบาอาจารย์ถูกอบอกตรงเข้าใจเราแล้วก็แก้อาหเราได้ อันนี้กิเลสอันที่สองกริยาณสหายคือผู้มาปฏิบัติเนี่ย <c oughs> เข้าใจเหมือนกันและทําเหมือนกันแล้วก็อีกคนนึงสร้างจังอีกคนหนึ่งนั่งหลับตายคนหนึ่งยำหนออะไรนี่ปนกันวมดนี่ไม่เป็นกิริยาณสหายแล้วเ <c oughs> พราะว่าต่างมาสองนักต่างวิธีการไม่เป็นกริยาเออนั่งเราคนต่างนั่งยกมือด้วยกันก็ยกมือด้วยกันอ่าต่างคนต่างลืมตาไปลืมตาด้วยกันไปเห็นอีกคนหนึ่งนั่งหลังลงงบงกงว่านี้อ่าไม่ใช่กริยาณสหายของเรา ทำท่องไปหากรารยานสหายคนใหม่นะอันนี้คือบุคคลที่อยู่ใกล้เราเรียกว่าการยาณสหายปฏิบัติด้วยกันเข้าใจด้วยกันเห็นด้วยกันแล้ก็พูดในภาษาเป็นทางเดีวยวกันก็จะไม่ขัดแย้งกันเรียกว่ากรารยานสหายอันที่สเรามาที่นี่เพราะเราต้องการการยาณสหายปวงกตาคือต้องการสภาพแวดลอ้อมที่เอื้อต่อการภาวนาคนจริงนั่งทำที่นั่งอยที่บ้านก็ได้ใช่ไหม ไม่ต้องลำบากอดร้อนอดนอนอดกินอดอยู่ที่นี่แต่ทําไมเรามาที่นี่เราเราสูญเสียอิสรภาพหลายๆอย่างสูญเสียความสบายหลายอย่างเพื่อต้องการแรกอะไรต้องการแลกเอากริยานั้นสำปงกาตาคือสภาพเรือร้องที่เอื้อเช่นครูอาจารย์คอเตือนแล้วก็ห่างไกลจากชุมชุนพอสมควรสนัดิเวศพอสมควรแล้วก็เป็นสัดส่วนไม่มีอะไรมารบวลไม่มีเสียงรบกวนแล้วก็สภาพอากาศอาหารที่อยู่อาศัยพอ พอรับได้นี่ก็เรียกกิริยางสัมปวกกาาที่เอื้อต่อกันทาําจิตตภาวนาเพราะฉะนั้นในตัวปรโโารถโนศาสตร์หรือกริริยานิพพุกเข้าไป3าอย่างคือครูบาอาจารย์เพื่อนปฏิบัติและวก็สิบแวดล้อมอุปกรณ์อันที่หนึ่งนะถ้าได้อันที่หนึ่งมีโชคดีแล้วเด้าสเซ็แล้วอันที่สองมาตัวเราที่นี่ก็คือความละเอียดถี่ถ้วนในการทำเช่นเวลานั่งไปแล้วรู้สึกม่วง เราแก้ไขถูกแก้ไขได้ไว้นี่คืออยู่ที่ศูนย์ราการนั่งไปแล้วรู้สึกปวดล้วก็มีการขยับอย่างแนบเนียนไม ah ia, ่ให้เสียพริยาแล้วก็ไม่ให้เสียสิ่งแวดล้อมนี่คือความแยกไขของเรานั่งไปแล้วรู้สึกเบือ่อฟุ้งซ่านแล้วก็แก้ไขแก้ไขแล้วแก้ยังไงมันไม่จกต้องหันไปหาช้อยที่หนึ่งคือการอนุทิศ อ, อาจารย์อยู่ไหนว่าผมง่วงเหลือเกินนี้ผมจะแก้ไขอ ย, อย่างไร ในเมื่อโยนิสุมานิการของเราไม่มีพลังพอเราไปอาศัยหลักทีกหนึ่งคือไปหาคูบาลจาร์ตรงนี้เราต้องใช้สองหลักหนึ่งเสมอเมื่อปัญหาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเราแก้ไขตัวเองไม่ได้ต้องลึกถึงคูบาลจาร์เพราะฉะนั้นพวกอัตมามาที่นี่มาทำหน้าที่อันนี้ยมรู้สึกง่วงก็ ง, ง่วงอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยอมแก้ไขยโยนิสุมานิการก็ไม่มีกระยะิยานมิตรก็ไม่ใช่เราจะไปโทษใครก็ตรงนี้เราต้องใช้นะ หมายความว่าพวกเรมามาที่ี่มีประสบการณ์มาะสิบปียี่สปีพร้อมที่จะแก้ไขได้เลยแต่ขอให้มามาถามกันแต่ถ้าหากว่าเดินก็เบือ่อก็ขอให้มันเบื่อด้วยนะั่นจนอารมณ์เสียเลยตรงนี้เพราะเราไม่นึกถึงองค์ประกอบสามประการเพราะตัวเราเองก็ไม่มีปัญญายที่จะแก้ให้ม น, หนุษย์แล้วก็ไม่ด้นึกถึงคกุรอานที่จะช่วยด้วยตรงนี้คือข้อที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าองค์ประกอบสาม ก, การนมาก่อน ผู้ที่จะรู้จักด้ว่าผู้ใดกตามได้กริก ร, ริยนานิมิตดีได้อยู่นิสูมนัสการดีบุคคลผู้นั้นเข้าสู่ประตูแห่งอริมักและเป็นบุพภารมิตแห่งมักและผลเปลียนเสมือนก่อนที่จะสว่างทางทิศตะวันออกจะมีแสงเงินแสงทองขึ้นมาก่อนซึ่งเป็นบุพภารมิตบอกว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า น, นั้นพระที่จะโผล่ขึ้นมาฉันใดก็ดีเรากล่าวว่า ปริยานิมิตและโยนิสูรมริการเป็นพนิมิตแห่งมรดกลผลเปรียบสมุนไพทิขึ้นทางตะวันออกหมายความว่าถ้าเราใช้สิง่งนี้เป็นหมายความเราเริ่มต้นเข้าสู่ทางแห่งมรดกลผลได้ถูกต้องแล้วและอีกไม่นานาที่เราทํำไปเรื่อยๆมรดกผลก็จะปรากฏเหมือนกับภาพที่ต้องขึ้นตะวนออกแน่นอนนะอันนี้ต้องใช้ให้เป็นเอาแลยะย้อนไปอีกทีหนึ่งเมื่อเรารู้ว่าขณะนี้ในอาการของเรามีรูปมีนามอยู่และรูปนามนี้เราต้องปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวเพราะอำนาจของอะไร อันนี้จผู้ขั ง, ข ง, ขงนรตะในการปรับเปลี่ยนขึ้นไหวนั้นมีสองลักษณะคือรู้ตัวก่อนเคลื่อนไหลสองการปรับเปลี่ยนเคล่อนไหวโดยไม่รู้ตัวเ ร, เรียกสองลักษณะนี้คือสติที่เป็นอะไรสรัญชตาตาณและสติที่เป็นวิปัสนาญาณพจนามาที่นนำมาฝึกสติที่เป็นวิปัสนาญาณและสติที่จะเป็นวิปัสนาญาณได้นั้นต้องอาศัยองค์ ป, ประกอบเบื้องต้น2องอันที่ผ่านมาเมื่อกี้ น, นี่ตอนแล้วนะตามทันไหมทันนะนึกภาพออกไว้ทั้งหมดอันนี้ความรู้ในจุดนี้แล้วก็ในความแยกคายของเราเนี่ยปัญหามันก็คือว่าคนไหนที่เป็นคนจับจุดเป็นคนมักง่ายเป็นคนขี้เกียจเป็นคนไม่ขยันเนี่ยตรงนี้เจะฝึกความแยกขายยาก แต่คนไหนที่เป็นคนใจเย็นเป็นคนขยันเป็นคนรับผิดชอบเป็นคนที่ละเอียดถี่ถ้วนมาก่อนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนะอันนี้เป็นจะได้เปรียวในแง่ของความแยกขายแค่เปลี่ยนจากอาการที่มันเป็นทางสมมุติให้มาเป็นปรามัดเท่านั้นเองนะโดยเฉพาะธรรมาให้เป็นคนเขาเรียกว่าขยันนะแต่เมื่อก่อนขยันแบบงู้นงทําทำไมีทําไปเรื่อยเรื่อแต่หลังมาจากปฏิบัติแล้วมันเรื่องขยันแบบฉลาดคือรู้จักเลือกว่าอะไรควรทําอะไรควรไม่ควรทาอะไร ผลละเอียดอะไรไม่ผลละเอียดมันจะค่อยปรับไปเรื่อยๆดัง น, นั้นตัววิปัสนา น, นี่ให้เราได้เยอะเลยอย่าเพิ่งมาปฏิบัติวิธีร่างว่ามุ่งว่าได้มากผลที่ผ่านยิ่งปังเป้าแบบนั้นมันจะผิดวังตั้งเป้าว่าให้รู้สึกตัวชัดๆก็พอใจนะนะรู้จักขยับปเปลี่ยนเป็นรู้จักดึงใจกลับมาอยู่กับตัวเองเป็นเอาแค่นี้ก็ถือว่าได้ประตูแล้ะและส่วนที่เราจะเข้าไปสู่ตัวมรรคตัวผลที่จริง หลังจากนั้นที่เราเจะเอาไปใช้ว่าเป็นความต้องการของเราด้วยความจริงใจหรือไม่หรือต้องการเพื่อดํารงอยู่แบบให้สวรรค์ตัวเองอยังอยู่ให้ภูมิของตัวเองอยังอยู่ไม่อยากจะออกจากพบที่เป็นความสบายด้วยความสงบมาเจริญสติเจริญวิปัสนาเพื่อรักษาความสบายความสงบเท่า น, นั้นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่การพูดศาสนาแต่พูดศาสนาไปไกลกว่านั้นใช้ความสงบและใช้ความไม่สงบเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาปัญญาใช้ความสบายและใช้ความไม่สบายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาปัญญาไม่เข้าไปสวนไม่เข้าไปสิกและไม่เข้าไปผลักไปดันไปปฏิเสธแต่ใช้ทั้งหมดเป็นเครื่องมือให้พัฒนาปัญญาเป็นไปได้ไหม <S <S 1> <S 1> เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นร่างกายมันจะปวดจเจ็บใช้มันทันทีคือใช้ให้เกิดสติแต่ถ้าหากว่าเราสติยังไม่เข้มแข็งมันก็ต้องคิดไป น, นะ แค่ไหวหรืปล่าเนาะเนี่ยฉันมานั่งไม่ได้อะไรนะสามวันหวันเวนลางานมาเนี่ยฉันหาท่ามไปหาเรื่องกลับบ้านดีกว่าพรก็อาจารย์ระนัดไว้คนนั้นมานี่ยถ้าทําไม่ไปไม่ได้งานเสียหายนะแต่คนจีนกีเล็กมันหลอกเราแล้วนะนั้นเราจะเห็นว่าโหจิีกี่มันถ้ารู้ไม่รู้เท่าทันมันไร้การมากเลยนะต้องมาฝึกฝนวิปสัสสนาเพื่อรู้เท่าทันใจของตัวเองแล้วเราจะทักทค้งมันได้ทักโคงเออไปคิดขึ้นมาทําไมเรื่องนี้เออ เขาตั้งใจมาเจ็ดวันไม่ใช่อันนี้เพิ่งสองวันยังไม่ผ่านเลยเขาคิดจะกลับบ้านแล้วนี่หมายความว่าไงต้องตรวจสอบทันทีเลยต้องสอบสวนมันทันทีเนี่ยจะมาขึ้นศาลไอ้ตัวคิดแบบนั้นนะและ้วสติปัญญาของเราก็เป็นผู้ว่าสารทุเรื่องที่มันพอกอ๊บขึ้นมาโดยที่เราไม่เจตนาเนี่ยไม่ได้แครมาก่อนนั้นหมายคมันเป็นกิ เ, เลสแล้วที่จะมาหลอกเราแล้วก็หลุดสอบ น, นะอันนี้ในแง่ภคยในการจัดการกับใจ ทีนี้ในการแยกคลายในการใช้กายานุปัสนาอันนี้ง่ายนะเพียงแต่ว่าเราจะขยับโยกไปไหนเคลื่อนไหวอะไรใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปเยอะๆแล้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมาดึงกล่าวว่าทุกกิจกรรมในวิธีนี้นะเป็นสนามปฏิบัติไม่ว่าจะกินข้าวอาบน้ำหลับนอนจัดข้าวจัดของแต่งเนื้อแต่ ง, ต, ง, ต, งตัวอะไรต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของอิริปุตย่อยท่านกล่าวไว้ถึงเจดแปดประการประการที่หนึ่งอภิกันเตปฏิกเตสัมปชันญการีโหติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าหรือในการที่าหันกลับไปข้างหลังมีไหมตรงนี้ต้องพยายามถ้าไม่มีให้มีมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการก้าวไปหนะ้ากับไปข้างหลังอันที่สอง อาโลกีเตวิโลกีเตสัมปชานาณกาลีมีความรู้สึกตัวพร้อมในการเคยบ้างไหสังเกตว่เวลาบุตรอย่างไงเวลาเดี๋ยวเคยสังเกตไว้าตัวเองเดี๋ยวอย่างไงอย่าว่าแต่ไม่เคยไม่ค่อยเคยทีเดียวไม่ค่อยเคยทีเดียวมีความรู้สึกตัวพร้อมในการเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยว่าอาโลกีเตวิโลเป็นอันที่สามสัมวินชิเตปาสาลีเตสัมปัญชาณกาลีอ่างี มีความรู้สึกตัวพร้อมในการยกมือเข้าเอามือออกในการคูเหยียดเคลื่อนไหวการหยิบอยากจับชวยเพราะนั้นถ้าใครมาบอกว่าเนี่ยที่หลวงพ่อเทีนนํามาสอนยกมือเนี่ยมันมีในพระไตรป่ฎกอันนี้อ้างได้เลยนะคุณไปดูสถิฐประธานสี่หมวดว่าด้วยสัมปัญญาประภะข้อที่สามว่าไงสัมมินชีเตเอาเข้ามาปาสาทิเตเหยียดออกไป แต่เนื่องจากว่าเหตดออกแบบตั้งเก่งไม่เป็นระเบียบเนี่ยมันไม่สวยใช่ไหมผมก็เห็นเลยเอามาเรียบเดียงซึ่งหมายให้หมันเป็นสิ่สี่จังหวะอันนี้คือสา ม, มินชิเตปาสานิเตสัมปชาน ก, การีโหติมีอยู่ในพระรพไตรปิฎกนะบอกได้เลยไปดูว่าในสี่ประธานสูตรว่าด้วยสติสัพปญะสัมปชัญญะปัจราคข้อที่สามแต่ว่าฉันจะไม่ได้ไนะอันนี้ก็ถามคุณว่าต้องไปถามอาจารย์ทีทจริงก็ไม่ได้ทีนี้อันที่สี่ว่าไงอันที่สี่บอกว่า สังคาติปัตตเจวระธาระเนสัมป ช, ชานกาลีวะิมีความรู้สึกตัวร่วมพร้อมในการถ้าเป็นพระก็คือการนุ่งเสื้อผงทรงชีวรอุ้มบาทการใส่สังขติหูอะไรให้รู้สึกตัวถ้าเป็นชาวบ้านว่าไงมีความรู้สึกตัวร่วมพร้อมในการใส่เสื้อในการแต่งตัวในการหมุนแขนบิดตัวดูกระจกสองกระจกแต่งหน้าทายเชือะไรนี้มีความรู้สึกตัวหรือรเปล่า ไม่มีนะมันเข้าไปในตัวเองหมดเลยนะอันนี้คืออันที่สี่ใช่ไหมอันที่ห้าท่านบอกว่าอุจจาระปัสสาวะกเมสัมปัญญาการอะไรอย่างนี้มีความรู้สึกตัวควบคองในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วเข้าห้องน้ําไปเนี่ยเข้าไปสู่ห้องน้ำปั๊บรู้สึกตัวไว้ว่ามือไหนไปจ่ายผู้ปิดแล้วมือไหนผลักเข้าไปพอผลักเข้าไปแล้วทำไงหมุนตัวกับ เปยกำหนดลูกไหมโอ้ไม่น่ะนะาออตโตมิติกเลยน่ะนะ <c oughs> จิตมันไปอยู่ที่นั่นแล้วโผล่ซ่ว ม, มเรียบร้อยแล้วนะ่ะไอการที่จะนำดับตั้งแต่ลูกได้เดินปิดลูกปิดปิดเปิดปดูเปิดผ้ายังไงนี่ไม่ลับลาดับไม่ทันแล้วนะฮะโน่นแล้วนี่คือเราขาดอะไรขาดความแยกขาดขาดโยนิสุนนศิการอ่าอันที่หกอันที่เจ็ดอันบอกว่าปีต อายยเตสายยเตสัมปชาญญะกันมีความรู้สึกตัวทั่พวพร้อมในการเคี้ยวการดิ้นการดื่มการเคี้ยวการดิ้นการดื่มคือขณะเคี้ยวอาหารขณะกินอาหารขณะดดื่มน้ําเนี่ยเคยตำรวจเวรื่งอ ง, ง น, นะนั้มันเคี้ยวอยังไงมันงับยังไงก็้วโบดยังไงเคยรู้ดูไหมนี่มันละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะต้องทำใจถึงขนาดนั้ น, นนะต้องสังเกตไม่ไม่ใช่เอาแบบวิธีการหนอแบบสมัยก่อนนะ ทานข้าทีสองชั่วโมงเสร็จนะพเพราอะไ้ค่อยเคี้ยวไปไปหยิบอาหารยกมือไปแล้วก็ปักมือลงหยิบแล้วเอาขึ้นมาแล้วก็ุอามาโ้เจแต่และคร้เาเนี่ยหลายนาทีนะาเนี่ยเคเคี้ยวเสร็จในวิธีการแบบเคลื่อนไหวแบบติงนิ่งเ่หลวงพ่อมหาศีจันที่หนองคายท่านสนเรนะั้นเพราะนั้นไดาตำประทานท่านต้องเข้าทีเดียวหเดือนนั่นงั้นไม่รับเีนี้ท่านมนาอายุเปี ดังนั้นก็เกินไปนะมันก็กลายเป็นอะไรอ่ะกลายเป็นแร่ปอดกลายเป็นหูเยนไปเลยอันนั้นก็ไม่ถูกให้ทำปกตินี่แหละเว้าให้รับรู้ไวๆนะอันนี้เรียกว่ากันกินการดื่นการเคี้ยวการลิ้มทั้งสีอันนะอันต่อไปท่านบอกว่ามีความรู้สึกตัวพร้อมในการคัดเตจีเตมิซิเน พาสิเตตาเวสัมปชัญ ก, การีมีความรู้สึกตรวทัวร้อในการกินการดื่มการเคี่ยวการลิ้การหยุดกัน่การพูดดูสินีคือความละเอียดของสััญญะเรามีความเข้าใจได้สังเกตสิ่งเหล่านี้บ้างมั้ยนนั้นในหมวดความรู้สึกตัวรู้สึกย่อยหนึ่งการเข้าไปเถ้าจับเรียกว่าเดจกลุ่มใช่การเห ล, ลวซ้าย้รงขวาบิดตัวสาม การยืดการเหียดอวัยวะสี่การแต่งหรือแต่งตัวนะการอาบการสบห5การเข้าห้องน้ำห้องส้วมหกการเที่ยวการดื่มการลิ้ง7การดูการเดินการนั่งการนิ่งการพูดการคุยมีถึง7หมวดใหญ่เฉพาะสมนพัญญะกายอันนี้ในเรื่องของกายนะเาวลามันจะหมดแล้วนะห้านาที สรุปทีนี้นะพอพอเขาจะจับหลัก ไ, ไ, ได้คร่าวๆนี่น่ยที่พูดมาเนี่ยจับได้ไหม<อ>ว่าเรื่องต้นว่าเราที่นั่งนี้คือใครคือ ล, ลูกหรือว่าฉันเอง <c oughs> ฉันเองพิเศษเลย <c oughs> คือลูกกับน้ําคือกายกับใจลูกกับน้ําคือกายกับใจนี้มันมีอะไรเป็นตัวบอกเวทนา<อ>คือความเย็นร้อนอ่อนแข็งเค็งตึงเคลื่อนไหวใช่ไหมแล้วเวทนานี้ถ้า รู้โดยสัญชตาตญาณเรียกว่าเป็นอวิชาถ้าตั้งใจที่จะรู้ตั้งใจที่จะตามมันเป็นวิชาเป็นวิบาสัญญาเป็นปนาาิบาสัญญาและในตัวนามเป็นนี้ถ้ามันเกี่ยวข้องด้วยรูปเรียกว่ารูปนามถ้ามันเกี่ยวข้องด้วยใจเรียกว่านามรูปเพราะนั้นวันนี้เอาแค่สองอย่างนี้รูปนามเป็นนามรูปและในรายละเอียด ออกไปใช้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของมิปรสนานมัว น, นิ่มไม่ได้ต้องทุกอย่างต้องชัดตามข้มันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตนักวิทยาศาสตร์ทางโลกเขาค้นพบขั้นตอนและพิสูจน์ในแง่ของวัตถุใช่ไหมคือาศาสตร์ศารแต่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบวิทยาศาสตร์นี้เหมือนกันบอกว่าถ้าเราจะไปตามสัรพชัตยานเนี่ยมันจะเป็นสงครามตลอดเพราะนั้นท่านกลับมาเอาตัวทางด้าน พัฒนาทางด้านานามธรรมคือกลับมาเป็นนิพพานคือสันติภาพก็โดยการไม่ตอบสนองต่อความอยากที่เป็นสัจเพา์ wizard. แต่เป็นการตอบสนองความอยากที่เป็นวิปัสสัญญาการตอบสนองต่อความอยากของวิปัสสัญาาเราเรียก ว, ว่าสาัทธาสัทธาตัญหาเนี่ยมันก็คือเดียวกันนะแต่ว่ามันนําด้วยอวิชาหรืออวิชาถ้านําด้วยอวิชาเราเรียกว่าตัญหาถ้านําด้วยวิชาเราเรียกว่า ศรัทธาแล้วศรทัทธานี้มันก็จะก่อไปสู่อะไรความเพียรสติสมาธิปัญญาแต่ถ้าว่ามันเป็นด้วยสัญญาณอวิชามันก็จะตามด้วยอะไรตัณห า, าบวรรพากรรมชาภคใช่ไหมเห็นไหมมันกลับรถกับขงังกันแต่ว่าความอยากที่จะทําเช่นอยากจะมาพิปิศานาเป็นศรัทธาหรือเป็นตัณหาเป็นศรัทธาเอ้ยฉันอยากจะไปเที่ยวเข้าเที่ยวบานอยในคืนนี้มานั่งตัวไม่เมื่อวันเข้ากับตอนที่ไปคัวจะหาอะไรทาํานอย่หิวเหลือเกินนะ โอ้ไมออควุณไหนเขา้าโควบอกเลยนะให้เก็บไข้ล้างเลยไม่ควรงนเยอะเต็มตัวแล้วเนี่นนนอ ย, อยคุณมาเก็บเก็บจริจริงก็งกงแนีไปเลยนี่นนนไม่ควรเลยนะอันนี้เขฝ า, ากว่าเพราะด้วยตัญหาของเราเนะี่ยเพราะฉะนั้นแก้ไขซะวันนี้นะแก้ไขแล้ววันที่เท่าวันที่สองแล้วก็ขออนุทนาสาธุด้วยความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายในการที่จะศึกษาเรียนรู้วิปัสสนาแบบเคลื่อนไหวอย่างเป็นกระบวนการขั้นตอนและสามารถจะพิสูจน์ผลได้ด้วยเอง และเป็นเส้นทางที่นำไปสู่มรรคผลวิภานโดยการทุกคนทุกท่านคือ